ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องความรู้ยิ่งในศาสนาพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24มกราคม2535นะพุทธถสถานสติสุขข้าชิท่านติตาท่านฟังได้นะบัดนี้ การมาอยู่ก็เป็นลำดับลำดับแลามาอยู่ก็ยังมีาราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการอยู่รวมกันนี่อีกต่อไปเรื่องสามคัคคีเรื่องสำนึกในจิตใจไม่มีการที่จะมองเพ่งไปในแง่ที่ไม่ชอบใจกันซะก่อ น, นะจะขัดแจง้งจะมีอะไรที่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันบ้างก็จะต้องรอดูกันถามไถ่กันปรึกษาหารือกัน ด้วยใจที่เย็นเย็นด้วยเจตนาปรารถนาดีๆด้วยกันแล้วก็ต่างถ้อยทีถ้อยลดเข้าหากันจําความนี้ไว้ดีๆต่างถ้อยทีถ้อยลดเข้าหากันไม่ใช่ว่าถ้อยทีถ้อยจะรุกเข้าหากันไม่ได้ถ้อยทีถ้อยลดเข้าหากันแล้วก็รับรองว่าไปได้ดีแต่ว่าถ้าต่างคนต่างรุกเข้าหากันแล้วแล้วก็ รบแน่ถ้ารุกแล้วมันจะต้องรบแน่แต่ถ้าเผื่อว่าต่างคนต่างลดเข้าหากันแล้วแล้วก็มันจะละมันจะลางแล้วมันก็จะสบายจะเย็นและจะสามัคคีอย่างดียิ่งเรามาอยู่รวมกันแล้วเราก็จะมาสร้างสรรค์โดยกันมีการงานต่างคนต่างก็เสียสละมาทําการงานแล้วเราก็ว่าเราเสียสละเราก็ยึดดีมันไม่บอกเราง่ายๆนะว่าเรายึดดีมันไม่บอกว่าง่ายๆว่าเราถือดีนะ ถือตัวข่าก็มีค่าข่าก็มีประโยชน์นะข่าก็มีคุณงามความดีนะข่าก็มีความเสียสละมันมันมันมันรู้อยู่แล้วมันก็จริงนะแล้วเราก็เสียสละจริงๆแล้วมันก็ซ้อนกิเลสเข้าไปในเป็นอัตตามานะตัวนี้นะมันไม่ง่ายเลยนะที่จะไม่รู้ที่จะรู้ตัวนี้มันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายต้องสำนึกต้องสังวรต้องมีสติสัพพัญญาปัญญาละเอียดเสมอเสมอเลยอ่าน หลายคนอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็จะรู้ตัวว่าโอ้โหกว่าจะรู้ตัวมันไปทางไหนๆแล้วมันคอยมาย้อนทวนโอ้โหกูน้อกูนั่น่ะหลงดียุดดีติดดี มีอัตามานะถือดีไปตั้งแต่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ปล่อยให้ไ อ, อ, อตัวถือดีหรือกิเลสพวกนี้เนี่ยเข้าไปทะเลาะวิวาดเข้าไปคมไปเบงเข้าไปก่อเรื่องก่อราวอะไรอะไร ต, ต่างๆนานาแทนที่จะสงบเย็นแทนที่จะประสานแทนที่จะไปด้วยดีเมื่อเกิดเรื่องกันไปเรื่อยอยู่นี่น่ะรววทานดีๆเถอะอัตมาพูดจริงไหมเนี่ยนะจริงไหมทำไมคนขานรับเนี่ยแล้วพู้ไม่ขานรับในแสดงว่าไม่จริงใช่ไหม มีคนขานรับอยู่คนเดียวทับในใจเอนี่เราจะต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะต้องเรียนจริงๆนะเรียนจริงๆอัตตามานะเนี่ยตามาจะต้องจัดการกว่าดตามาจะตายเนี่ยจะต้องจัดการกับพวกเรานี่แหละจะต้องพยายามให้เรียนรู้แล้วก็ให้ปราบอัตตามานะกันให้ได้ดีๆจริงๆถ้าเราทําได้จริงนะปราบอัตตามานะได้จริงๆความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นมาสุขเย็น เป็นพลังแล้วก็จะเป็นตัวอย่างอันดีงามของสังคมมนุษยชาติจริงๆส่วนตัวโดยตรงก็เป็นสุขส่วนตัวโดยตรงก็เจริญเจริญจริงๆมันเป็นกิเลสแท้ๆมันไม่ไปพาให้เราเป็นประโยชน์คุณค่าเป็นบุญเป็นกุศลอะไรหรอกมันเป็นกิเลสมันเป็นตัวทําลายตัวเสื่อมแล้วมันซับซ้อนซับซ้อนแล้วหมายรู้ตัวก็ยากก่อจะรู้ตัวนี่ยากเจ็นนะ ขณะเราพูดกันบ่อยบ่อยๆนะอาตมาก็ว่าพูดมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พยายามซอยสภาวะเท่าที่เราตอนที่อาตมาจะมีความสามารถที่จะพูดถึงมันใช้ภาษาคนนี่แหละใช้ภาษาไทยๆนี่แหละก็ค่อยมาหยิบหยิบมาอธิบายสภาวะมันจะเอาภาษาไทยนี่แหละภาษาคนเนี่ยไปไปเรียกมันยังไง แล้วเอามาพูดประสื่อให้พวกคุณฟังแล้วคุณฟังจะเข้าใจได้ชัดขึ้นชัดขึ้นลึกซึ้งขึ้นะจะได้เข้าใจได้ดีๆแล้วก็บางทีก็เออพอบอกภาษานี้ก็รู้ตัวจับตัวของตัวเองได้ไอทิทธิพลมาฟังไปกับโอจับได้นี่เราเคยประสบการณ์มาแล้วเราเคยมีมามันก็รู้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นการศึกษาที่ฟังปริยัตฟังบรรยายฟังเทศก็ได้ผล แล้วก็มีเตวิโชในตัวก็คือระลึกผ่านมันเร็วนะเตวิโชไอสัจบุเพรีวาสานุสติในสติที่ระลึกย้อนที่ตัวเองเคยผ่านมามันเร็วนะพูดแป๊บห น, น, น, น, นึ่มันก็อันไหนที่มาระลึกได้มั น, มนไวมันเป็นญาณก็คือสิ่งที่รู้จริงตามจริงเข้าใจอ๋อก็ออเกิดญาณ รู้ความเกิดความดับแหนเราเกิดไปแล้วผีมันเกิดไปแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วด้วยนะและผีมันไม่ได้ดับด้วยผีมันยังโตด้วยนะก็รู้ตัวว่าโอ้โหนี่ผ่านไปแล้วนะเหตุการณ์ที่ผ่านไปนั้นนะเหตุการณ์เกิดไปแล้วนะผ่านไปแล้วแล้วเราก็มีจุตูปปาตยานเกิดยานเกิดเห็นความจริงโอ้พอมาฟังที่อาตมาอธิบายมาฟังที่อาตมาขยายความนี่แล้วก็ระลึกได้โอ้ผีเราเคยเกิด แล้วผีเราก็ไม่ได้ดับด้วยนะเราผ่านไปตอนั้นไม่รู้ตัวเลยผีมันกินตัวเราไปแล้วแล้วมันก็โตมาแล้วมันยังอยู่มันยังหมักหมม อ, อยู่ในตัวเราเราไม่ได้ล้างมันนะเราก็จะรู้ว่ามันเกิดหรือบางทีก็บอกว่าพอพูดไปแล้วก็อ๋อ เ, เราระลึกได้ว่าเราเคยมีประสบการณ์นี้ตอนนั้นเราก็ระลึกออกตอนนั้นเราก็รู้ทันว่าเรามีผีขึ้นแล้วเราก็ได้จัดการกับผีผีมันก็อ่อนแรงหรือผีมันก็ดับไปในตอนนั้นช่วงนั้นได้หัดไปฝึกจริงๆ มันก็ดับมันก็ศูนย์มันก็ไม่เกิดมันแพ้เราเราชนะมันเราก็จะรู้จริงๆมีจุดตูปปาตยานอันไหนที่มันดับสนิทมันไม่เกิดอีกก็มีอาสวัคยยานยานรู้ว่าอ๋อกระทบสัมผัสตอนนั้นตอนนี้ไม่เกิดนะกิเลสเราไม่เกิดแต่ก่อนโน้นมันเคยเกิดแล้วมันก็อ่อนแรงลงมาจนกระทั่งมันไม่มีแรงแล้วจนกระทั่งเราจัดการกับมันดับดับสนิทแล้วก็มีเหตุปัจจัยมีเหตุที่มันทําให้เราควรจะเกิด เพราะแต่ก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยกระทบสัมผัสอย่างนเนี้กิเลสเราต้องเกิดแน่ๆแล้วอัตามานะก็ต้องเกิดแต่หลังๆมานี่ไม่เกิดนะหครั้งก็แล้วหกครั้งก็แล้วแรงเลยบางครั้งบางคราวนี่โอ้โหมันน่าเกิดนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเกิดง่ายๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เกิดมันจะเป็นการรู้ดุจยาณตามความจริงของจริงของเราเองและความมั่นใจจะเกิดความมั่นใจในตัวเราเองนีจะเกิด เพระเตวิชโชเนี่ยถึงแม้ว่าอาตมาไม่อธิบายให้ฟังคุณก็ใช้มันอยู่โดยปริยายอยู่บ้างแต่ถ้าเรายิ่งรู้ความหมายแล้วเราก็เจตนาที่จะใช้เตวิชโชพยายามระลึกทบทวนแล้วก็รู้จุดตูป ป, ป, ป, ปาตญามียารู้การเกิดการดับจะเกิดผีเกิดพระเกิดอริยะยังไงก็ให้รู้ให้ชัดหรือว่าผีตายพระเกิดยังไงก็ให้รู้ให้ชัดยานเกิดรู้จุดตูป ป, ป, ปาตญาเนี่ย หรือถอนอาสวะสิ้นก็ให้รู้ให้จริงรู้ให้มัน่นให้แม น, นต้องทบทว น, นต้องทบทวนต้องรู้ความจริงพวกนี้ให้จริงๆและเราก็จะได้ปฏิบัติได้มรกได้ผลได้มีอภิญญาเตวิโชก็เป็นอภิญญา3ายิ่งรู้จักอภิญญาหกรู้จักสภาพของวิปัสสนาญาณคือญาณที่อาตมา ก, กำลังบรรยายนี่คือญาณวิปัสสนาญาณ ยานที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยมันเห็นจริงเลยมันได้ลดกิเลสเลยในปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเองวิปัสนาภาวนาแล้วก็เกิดความรู้จริงเห็นจริงในการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติอย่าง ร, ร, รู้มีปัญญารู้กิเลสมีปัญญาทำให้ลดกิเลสอย่างได้ผลกิเลสมันลดกัมีผลเห็นชัดๆเลยมียานที่เห็นชัดๆจนเจนเรียกว่าวิปัสนาญาณสามารถเอาชนะได้เพราะเรามีแรงมีดิศของมัโนมยิทธิ เรามีฤทธิ์เดชทางใจมโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจแต่ไม่ใช่ฤทธิ์เอาไปหอเหินเดินน้ำดำดินอะไรแต่เป็นฤทธิ์ที่มันปราบกิเลสได้มีฤทธิ์ทางใจกิเลสมันอยู่ที่ใจแล้วฤทธิ์อันนี้เป็นฤทธิ์ปราบกิเลสเป็นฤทธิ์ทางละหน่ายคลายฤทธิ์ที่จะไปนิพพานไม่ใช่ฤทธิ์ที่จะไปเล่นเดริชานวิชาฤทธิ์ที่จะไปหาเรื่องอะไรที่ไม่เข้าเรื่อง เก่งเหมือนการฤทธิ์ทางโนก็เก่งเก่งทางโลกีไม่ใช่เก่งโลกุตระอันนี้เก่งโลกุตระเก่งรู้กิเลสแล้วก็ลดกิเลสได้มีฤทธิ์ทางใจจริงๆมโนมยิทธิมโนมยะอิทธิมโนมยิทธินี่มาจากภาษาบาลีมโนก็ใจมยะก็อันที่เป็นเราเรียกว่าอันอะไรที่อะไรฮะอะไรอันสําเร็จนะอันสําเร็จนะ อันสำเร็จได้จริงไหมอย่างอันสําเร็จอิทธิก็คือความเก่งความสามารถอํานาจฤทธแรงอิทธิคือฤทธิฤหรืออิทธิีนอันเดียวกันนะมีฤทธิมีอํานาจมีแรงที่สําเร็จทางใจใจเราทําให้เกิดให้ลดกิเลสได้สาเร็จนี่ต้องให้ชัดๆนะในความหมายในเงื่อนไขที่อาตมาบรรยายเนี่ยเพราะงั้นเราอามโนมยิทธิไปอธิบายในราชานวิชาเขามีฤทธิทางใจเหาินเดินน้ำดําดินเป็นอิทธิเป็ดอิทธิปาฏิหารเป็นอาเทศนาปาฏิหารก็ได้ อธิบายไม่ผิดหรอกแต่ว่าไม่ใช่ทางของพุทธาศาสนาไม่ใช่โลกุตระอธิบายไม่ผิดเป็นฤทธิ์ทางใจอย่างฤศีลิงดําบอกว่ามีโนโมโยมยิทธิแล้วก็ไป โ, โห่เหเดินน้ําดําดินรู้ใจคนอะไรต่างๆนานานั่นนั่นก็เป็นฤทธิ์ทางใจเหมือนกันแต่ฤทธิ์ทางใจอย่างนั้นมันไม่ได้พาพ้นทุกข์ไม่ได้พาไปนิพพานที่เราหมายเนี่ยเราหมายเอา สมาธิทางพ้นทุกทางนิพผานให้ชัดเกิดวิปัสนาญาณเกิดมโนมยิทธิเกิดอิทธิวิธีนี่อภิญญาอีกสอิทธิวิธีก็คือมีวิธีที่เก่งอิทธิก็เก่งอิทธิก็มีแรงอิทธิก็มีอํานาจนั่นแหละอิทธิวิธีวิธีต่างๆที่ตั้งแต่ท่านบรรยายมาและเป็นนามธรรมอธรมาบรรยายซ้อนหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ที่จริงไม่ใช่หลายคนหรอกเอโกปิ บตวาพระหูธาติอะไรงี้ม source, iin, right? ันก็ไม่แปลเอโกก็ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งคนเดียวเอโกก็คือหนึ่งเท่านั้นจะเป็นคนก็ได้จะเป็นสภาวะหนึ่งก็ได้เป็นเหตุการณ์หนึ่งก็ได้เอโกก็หนึ่งเท่านั้นเองความหมายก็เอโกก็หนึ่งแต่เขาไปใส่คําว่าคนเองหนึ่งทาให้เป็นหลายก็ได้หลายทําให้เป็นหนึ่งก็ได้อะไรเงี้เป็นต้นแล้วก็ต้รู้ความหมายว่าอะไรหนึ่งทำให้เป็นหลายหลายทำให้เป็นหนึ่งอะไรหมายถึงอะไร คนคนเดียวเราคนเดียวเนี่ยเราเป็นพระอริยะคนเดียวแล้วเราก็าเผยแพร่มี uh, อิทธิวิธีที่จะสร้างคนให้เป็นอริยะมากขึ้นก็ได้ด้วยว่ากิเลสของเราเนี่เรามีปัญญารู้ทฤษฎีนี่มาแล้ว1ทฤษฎีรรแล้วเอาทฤษฎีหนึ่งเนี่ยมาทําให้เกิดการละลดกิเลสเป็นตัวอย่างขึ้นมาได้หนึ่งตัวอย่างเพราะได้หนึ่งตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างที่2ที่3าที่สที่ห้าไปได้อีกหนึ่งเดียวก็ทําได้อีกต่อขยายไปตั้งมากมาย ก, ก็ได้ หรือไอ้สิ่งรวมๆที่มันไม่ประสานกันไม่รวมกันนี่ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยรวมมาเป็นหนึ่งเดียวก็ได้อย่างพวกเรารวมๆกันอยู่ทุกวันเนี่ย One for all all for one อะไรเงี้ยทั้งหมดเป็นหนึ่ ง, งเป็นทั้งหมดอะไรนี่รวมกันอย่างนี้เป็นต้นเราต้องรู้นามมาทมรู้ความหมายที่ชัดเด่นเหมือนกันสอดคล้องกันพวกเรามีทิฏฐิสามัญญาตานี่ก็ถือว่าหลายมาเป็นหนึ่ง ทำสิ่งที่ร้ายมาแต่ก่อนมีความเห็นแตกแยกกันโอ้โห و, คนแควคนละเรื่องเลยตั้งหลากหลายแหลกหลายเลยเอามารวมเป็นหนึ่ง น, นี่เรียกว่าหลากหลายหรือหลายมาเป็นหนึ่งก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกวิธีอื่นนะอัตมาจะไม่ขยายความไปจนกร์ทั้งครบเลยเพราะว่าอัตมาจําไม่ได้เรียงลําดับและไม่ได้ทั้งหมดทีเดียวนะก็คอยไปตรวจทานอยู่ในตําราอะไรที่ได้อ่านที่ได้ทําไว้ให้แล้วเยอะแยะอ่านร ล, ละเอียดกว่าที่อัตมาพูดนี้อีก นะถ้าให้เกิดอย่างเหลือเชื่อมันไม่น่าเชื่อเกินเชื่อได้เยอะคนธรรมดาทำไม่ได้คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้คนทำได้เป็นอริยะขึ้นไปเป็นความพิเศษที่ทำได้เป็นอิทธิวิธีเมื่อมีอิทธิวิธีอย่างนี้แล้วก็ยังได้อีกยังมียังมีหก ยังมีอีกเป็นอภิญญาหกนี่ยังมีอีกสามอภิญญาสามแล้วยังมีอภิญญาหก็มีโสดทิพมีเจโตปริยานอ่ามีเฮ้ยมันต้องมีอะไรอีกอันหนึ่งสิเงินขาดไปอันนึงอะ่ะนะอ๋อแล้วก็อธิบายต่อไปอีกฌานเป็นอันที่หนึ่งอตมาเมื่อกี้ที่ตกไปอันนึงก่อนเป็นฌานฌานคือเรียกว่าเพ่งเผาได้ มีริดแรงในการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่เพ่งไปอ่านที่จิตวิญญาณได้แล้วก็รู้จักกิเลสได้จับตัวกิเลสได้แล้วก็เผากิเลสได้เรียกว่าฌานฌานเนี่ยคือจับประมัดได้ฌานเนี่ยจับประมัดจับจิตได้แล้วก็เพ่งรู้มีธรรมวิจัยสัมโพชงวิจัยกิเลสออกแล้วก็ทําการทําลายหรือเพ่งหรือเผาทําลายกิเลสได้เรียกว่าฌาน ชาในทำลายกิเลสไดนะ้สงบลงพอทำลายกิเลสก็สงบลงไม่ใช่ฌานไปสะกดจิตแล้วก็สงบแค่เจโตสมถทักอันนี้โลกุตระที่อาตมาอธิบายนี่โลกุตระรนะพุทธเจ้าจะบอกบุคคลที่มีเจโตสมถทะไม่มีโลกุตระก็มีอยู่บุคคลที่มีโลกุตระแต่ไม่ได้เจโตสมถทะก็มีอยู่บุคคลได้ทั้งสองอย่างก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเจโตสมถะ แต่ไม่ได้โลกุตระก็คือพวกที่ไปทำแบบไม่ใช่มรรคองคแปดไม่ใช่วิธีการที่เป็นอย่างพุธทธแท้ผู้ที่ทำพุทธอย่างแท้ถึงเป็นโลกุตระธรรมจริงๆเนี่ยแม้จะไม่นั่งสะกดจิตเป็นสมาธิฌานฌานสมาธิแบบฤษีซึ่งเขาก็เรียนรู้กันเราก็เรียนรู้ด้วยได้เราไม่เป็นเจโตสมถะเราไม่เก่งแต่โลกุตระเราปฏิบัติได้จริงๆเลยเรียนรู้อย่างที่อาตมากาอธิ บ, บายแบบพุทธเนี่ย ละกิเลสได้จริงๆเพ่งเผาเป็นฌานแบบพุทธเผากิเลสได้อย่างลืมลืมตานี่แหล ะ, ะทำงานทำการมีสังกัปปวาจากรรมันตาอาชีวะเป็นสัมมาอย่างเงี้ยลืมตาตรงๆเป็นจักขุมาปรินิพพตินี่แหละเป็นนิพพานลืมตานี่แหละได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะก็มีมีแท้จริงถ้าจะให้ดีก็เรียนรู้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างก็ยิ่งดี แต่อย่าไปเอาทั้งสองอย่างประเภทที่ไม่ได้อะไรสักอย่างอล้วกันบุคคลผู้ไม่ได้ทั้งเจโตสมรถะและไม่ได้ทั้งโลกุตระก็มีอยู่คือกูเองอไม่ได้ทั้งเจโตสมถธะไม่ได้ทั้งโลกุตระคือกูเองมันน่าเศร้านะมันไม่ได้อะไรสักอย่างเล ย, เยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นบุคคลประเภทที่สหรือประเภทอีกประเภทหนึ่งนั่น เราควรจะเอาให้ได้ทั้งได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้งโลกุตระเจโตสมถทก็เป็นเป็นอุปการะนะอาตมาก็าเคยอธิบายพวกเราได้ทั้งโสตทิพโสตทิพก็สภาพที่มันลึกซึ้งซ้อนลงไปอีกมีรู้เสียงสองกลิ่นสองอะไรสองที่มันซ้อนกันอันนี้เป็นรูปแท้อันนี้เป็นรูปเทียมยนี้เป็นต้นเรียกว่ารูปอันนี้เป็นเสียงแท้อันนี้เป็นเสียงเทียมอยันนี้เป็นต้น เสียงเทียวนี่มันเสียงปลุงเสียงผสมเสียงที่มันเป็นตัวโง ồ, ่ประกอบเสียงเพราะไอเสียงเพราะนี่เ i ป mean, ็นกิเลสและเป็นเสียงสองล่ะเสียงแท้จะบอกว่าเสียงเพลงเออเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงของมันมันจะเงี้ยมันจะดังแบบไหนมันจะอ่อนจะหวานจะสั้นจะยาวเนืเสียงเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปฟังว่าเพราะเพราะเสียงเพราะนี่เป็นเสียงสองเป็นเสียงกิเลส นะแต่เสียงแท้ก็คือเสียงแท้อันนี้สีนะเราเห็นสีสีนี่สีแดงเสียงสีแดงเป็นเสียงเป็นสีจริงสีสวยสีสวยมันสีปลอมเป็นสีสองเราวิเคราะห์สิ่งหนึ่งสิ่งสองออกเสียงหนึ่งเสียงสองอันนี้เสียงจริงเสียงคนนี้แหบอันี้แหบเพราะแหบเสน่ห์ไอ้แหบเพราะแหบเสน่ห์นั่นเราเป็นเสียงสองเป็นประเภทกิเลส เป็นเพ enfin ่ปร you know ุงแต่งระเภที่ไปสมมุติสมมุติว่าเพราะสมมุติว่าไม่เพราะก็เสียงมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกภาษาไทยว่าแหบจะเรียกภาษาจีนว่าอะไรก็แล้วแต่อาตมาไม่รู้ภาษาจีนแหบคืออะไรเสเรียบภาษาอังกฤษว่าแหบคืออะไรอาตมาไม่รู้ก็มันอย่างนั้นนะอย่างจริงของมันอย่างนั้นนะตามจริงของมันน่ะเอาบัรญัติไปเรียกมันเท่านั้นน่ะเสร็จแล้วคุณก็ยังมีแถมอีกอันหนึ่งว่าเอออย่างนี้แหละเพราะอย่างนี้เราไม่เพราะอย่างนี้เระสวยอย่างนี้เราไม่สวยอย่างนี้เราชอบใจอย่างนี้ไม่ชอบใจอย่างนี้ลราอร่อยอย่างนี้่่่ไมอออรยา พริกเผ็ดเออเผ็ดนี่อร่อยอ อ, อร่อย น, นั่นะไอ้อรสอร่อย น, นั่นะเป็นเป็นกิเลสและเป็นเป็นเป็นรสสองโสดที่เราจะรู้อย่างนี้ซับซ้อนลึกซึ้งว่ามันหนามันบางมันใกล้มันไกลและมันเป็นอะไรแน่แน่จากที่ท่านอธิบายในพระตรปิฎกนท่านได้ที่ว่า ได้เสียงตะโพนเราก็รู้ว่าเสียงตะโพนใกล้เราก็รู้ว่าใกล้ไกลเรากรู้ว่าไกลเสียงเปิงมังเราก็รู้ว่าเปิงมังเสียงกลองเราก็รู้ว่ากลองมันอยู่ใกล้ก็รู้ว่าใกล้อยู่ไกลก็รู้ว่าไกลนะสันติเกหรือว่าทุเรทุเรว่าไกลสันติเกว่าไกลอะไรงนี้ท่านก็อธิบายให้รู้ว่ามันมากหรือมันน้อยมันใกล้หรือมันไกลมันหนาหรือบันบางมันเป็นอะไรแท้แท้มันเป็นเสียงกลองก็คือกรองเสียงเปิงมังก็คือเปิงมังสีเขียวก็คือเขียวสีแดงก็คือแดง พริกมันเพ็ดก็คือเพมันเปรี้ยก็คือเปรี้ยวมันหวานก็คือหวานมันหอมก็คือหอมมันเหม็นก็คือเหม็นมันชุนก็คือฉุนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็รู้ตามจริงหรือมีกิเลสนี่เราเรียกว่าโสดทิพรู้สิ่งสองเสียงสองหรือว่ารสสองหรือสิ่งสองอธิบายไว้นะหรือเจโตปริยานเรารู้ในจิตในใจเลย มีจิตยังไงเจตสิกยังไงนี่ราคะมูลนี่เป็นต้นราคเข้าเข้ามันเลยนี่โทสะมูลนี่โมหะมูลและมันอย่างหยาบกลางละเอียดออกลูกมานี่สายของโทสะนะนี่เรียกว่าโกรธนี่เรียกว่าพยาบาทพยาบาทก็สายโทสะนี่เรียกว่าโกทะนี่เรียกว่าอุปนาหะผูโกรธภูเครื่องผูกแขนอาคาตนี่เรียกว่าปฏิฆะนี่เรียกว่า อารตนนินี่เรียกว่าอุ ป, ปายาสะอะไรพวกนี้สายอึดอัดขัดเคืองที่ไม่สบายใจทั้งหมดไม่ชอบใจทั้งหมดชิงมั่งชังมั่งมานะมั่งสายโทรศัอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ไอ้นนตะ ก, กูลนี้ตะ ก, กูลนี้ตะ ก, กูลโทรศัพย์ไอ้นนตะ ก, กูลโลภาน ะ, ะมีรักมีมีใครมีปรารถนาดีมีอยากได้อยากดียังง้นอย่างนี้มีชอบมีชื่นชมมียินดี มีปีติมีรื่นรมอะไรในสายโลภะสายราคะอะไรนี่ก็รู้เป็นสายมาอย่างไหนหยาบอย่างไหนกลางอย่างไหนละเอียดอย่างไหนกินลึกอย่างไหนกินตื่นอะไรก็รู้มันหมดรู้ราคะมูลหรือโลภะมูลหรือโทสะมูลโมหะมูลอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ปีกลับอันนี้ไม่ใช่ราคะแล้วอันนี้ลดราคะอันนี้ลดโทสะอันนี้ลดโมหะอันนี้ลดก็รู้อันนี้เป็นอาราคะอันนี้เป็นอาโทสะอันนี้เป็นอาโมหะอะไรนี้เป็นต้นเข้าใจ แล้วเราก็มปฏิบัติปฏิบัติลดได้บ้างแล้วตอนนี้เป็นสังขิตะตอนน้เป็นวิขิตะสังขิตะก็คือมันได้แล้วมันก็ยังเป็นก้อนๆมันยังตีไม่แตกมันก็ยังรู้มันได้แล้วพอได้แต่มันก็ยังทุกขอยู่อึดอัดขัดเคืองยังหดหูเรียกว่าสังขิตะถ้าวิขิตะก็ยังกระเซ็นกระสายยังกระเด็นกระดอนยังรู้ไม่เคยชัดแล้วยังจับไม่เคยมันคันไม่เคยตายเท้าว่าบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นวิขิตะ ไิกิตตังจิตตังจิตที่มันได้ผลเรารู้เราว่าเราได้บ้างแล้วแต่มันก็ยังไม่แม่นไม่ชัดปัญญาก็ยังไม่จริงปัญญาก็ยังไม่แน่ชัดญาณก็ยังไม่ชัดสังคิตตก็ไอตัวจิตของเราก็ยังไม่แข็งแรงยังไม่ปลอดโปร่งยังไม่มีอำนาจเต็มยังไม่ดีสุดยังรู้อยู่เลยว่ายังไม่ดียางหยาบยาบเลยนะไม่ใช่ยังไม่ดียังไม่ดียงไม่ดียางน้อย เรียกว่ายังไม่ดีอย่างใหญ่อยู่แต่ว่าก็ได้ดีแล้วล่ะขั้นหนึ่งเพราะเราก็ต้องทําอีกเรีว่ามหักตะทับอีกให้มันดีก็ได้เจริญขึ้นกว่าเก่าเพราะเราเนี่ยไปติดแป้นที่สังขิตตะบ้างไปติดแป้นที่วิกิตตะบ้างไม่พยายามที่จะเจริญยิ่งขึ้นเรยว่ามหักตะให้ดียิ่งขึ้นจะเจริญยิ่งขึ้นเราไม่ภาคเพียรขึ้นก็ไม่ไม่รู้ตัวว่าเออเราเจริญขึ้นหรือเปล่าเรียกว่ามหักตะถ้าเรารู้ว่าจิตกำเราเจริญขึ้นอยู่ก็เรียกว่ามหักรตะ ถ้าไม่เจริญขึ้นเรียกว่าอ่ะขออภัยอ่ะมหาคตะไม่ไม่ไม่สูงขึ้นไม่เจริญขึ้นไม่ยิ่งใหญ่ขึ้นไม่ดำเนินต่อไป น, นี่เราก็ต้องอ่านออกว่าเราอยู่ติดแป้นอยู่กับที่เจริญขึ้นหรือไม่เจริญขึ้นได้แล้วก็ได้แล้วก็มันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเราไม่เจริญอะไรนี่ต้องตรวนให้ชัดมหาคตะหรืออะมหาคตะถ้าเจริญก็จ ะ, จะรู้เจริญเจริญไปเจริญไปเจริญไปก็รู้ว่าโอ้เจริญแต่ดีกว่านี้ยังมีอีก จะเดินยังไงเราก็รู้ดีทั้งๆที่จะไม่เป็นสังขิตะแล้วไม่อืดอัดขัดเครื่องไม่หดหูแล้วโปร่งสบายขึ้นเยอะแล้วแต่ยังมีเศษยังมีเหลือยังมีส่วนนั้นส่วนนี้รู้เรียกว่าสัจจิตตะอ่าสหสัจุตระเรียกว่าอุตระสัจุตระอ่สัจุตรังจิตตังเป็นสัจุตระเป็นจิตที่ดีแต่ดีกว่านี้ก็ยังมีอีกยานเรารู้เองเลย เจโตปรยยาญาณญาณเรารู้เลยว่านี่มันดีนะดีมากแล้วละ่ะดียิ่งกว่าสังกิตะดีกวิกิตมามันจะเป็นกองแล้วเราก็จเจริญขึ้นจเจริญ ข, ขึ้นมาเป็นมหากตามาเรื่อยๆจนมันถึงกั้นมหาดีมากแล้วแต่มันยังดีนี้ก็มีอีกอย่าติดแป้นแม้ดีขนาดไหนถ้ายังไม่ถึงอนุตตรรกก็อย่าอย่าอย่าไปถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดก็อย่าไปหยุดเป็นอนขาดยังไม่ใช่อนุตตรังอนุตตรังจิตตังต้องทําให้ได้ถึงอนุตตรังจิตตัง และเงื่อนไขของอรุตตังจิตตังเป็นอย่างไรจะต้องประกอบไปด้วยสมาหิตตังจะต้องประกอบไปด้วยวิมุตติจิตวิมุตติจิตจะต้องเป็นจิตวิมุติจะต้องเป็นจิ ต, ต, ต, จตที่เป็นสมาหิตะเป็นสมาธิระดับสูงสุดสมาฮิตะนี่เป็นสมาธิระดับสูงสุดจะต้องเป็นสมาธิที่เหมือนกับเราแข็งแรงตั้งมัน่นจิตเราสะอาดผ่องแผ้วจิตเราไม่ต้องเป็นอะไรอีกมีอุเบกขาฐานอาศัยไม่ติดแม้แต่อุเบกขาว่าเป็นเรา อวเบขาในเป็นฐานอาศัยรู้ว่าจิตของเราปริสุทธาประโยชธาตามุทุกข์ัมมัญญาปพัสราแข็งแรงขยันมันเพียรสร้างสรรค์อยู่เลยไม่อยู่เนื้อมันเป็นโลกุตรจิตอย่างแท้จริงเป็นโลกานุ ก, กัมปายาติแท้จริงและมีโลกวิถูตามฐานะรู้เท่าทันโลกตามภูมิโลกวิทูไม่ได้เท่ากันเราไม่โลกวิถูเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าท่านที่โลกวิถูกว่าเราหรือกว่าองค์นั้นองค์นี้ตามฐานะ มีโลกวิถุมีโลกุตระจิตจริงและมีโลกาณุกรรมปายะจริงคือเป็นผู้เกลือกูลผู้อื่นอยู่สั่งสร้นทางานเป็นสมาหิตะมีสมาฮิตาจิตอย่างนั้นประกอบอยู่ในอวัยวุฒรัจิตจริงและเป็นวิมุตติแท้แม้วิมุติจอนอวิมุติจรไม่ใช่อวิไม่ใช่วิมุตจรอะวิมุตจรตัวอันนี้มันแหมมันมีอวิมุติอยู่บางเศษบางส่วนพิ้วพิวพลายพายหรือว่านั่นๆหลอกทีอาตมารเรียกพวกพี่หลอกพี่หลอกน้อยๆไม่ใช่พี่ใหญ่นะ ไม่ใช่ผีหลอกตัวโตโตแล้วไอ้นี่มันจะสุดท้ายแล้วเก็บละเอียดสุดท้ายแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีเลยหรือมันมีอยู่บ้างมีบ้างเราก็กระจัดมันได้เลยก็สมบูรณ์เลยถ้ามันมีจรมาก็นึกว่าเราดีแล้วนะโอ้ตั้งห้าปีนะครับวับมาแวบหนึ่งโอ้ไอ้พวกนี้นี่นะไมนยังผีหลอกน้อยนี่ไม่เหลืออะไรนี่เราจะรู้ชัดโดยเจโตปริญาจะตรวจตราละเอียดลราออกพวกนี้ตามความเป็นจริงนะ สูตรพวกนี้แล้วว่าลักษณะพวกนี้นี่นะฟังดีๆเธอฟังแล้วจะเข้าใจแล้วก็อาตมามาอธิบายเป็นภาษาไทยนะคุณไปทําให้ตรงพวกนี้ถ้าไม่ได้นิพพานแล้วก็ตัดหวัวอาตมาไปเลยถ้ามียานพวกนี้จริงๆแล้วก็คุณรู้ของจริงตามความเป็นจริงมีกิเลส จ, จริงหมดกิเลส จ, จริงเนี่ยนี่แหละลักษณะที่เป็นอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งของพุดต้องมีทุกคนไม่มีไม่เป็นพระอรหันต์นะ จะไปบอกว่ามีอภิญญาหรือไม่มีบางคนเนี่ยเป็นสุ ข, ขวิปัสสโกโไม่มีอภิญญาอ้าวในข้อหมายความว่าไม่มีอภิญญาแบบโลกียอภิญญาแบบอิทธิปาติหาราเทศนาปาติหารมีแต่โลกุตรธรรมมีแต่โลกุตระมีแต่ความสุขอันสงบจากกิเลสไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยนั่นแหะคนหลงหลงเออิทธิปาติหารลงาเทศนาปาติหารแล้วก็โลพวกนี้เป็นพวกแห้งแร้ง แข่งแรงอะไรกันแล้วดีซะอีกไม่ต้องเป็นภาระไปมีไอ้พงนคนน่นะบา้บาๆ บ, บวมๆเจ๊งมันมีมั่งกว่านี้อีกแเพราะว่ามีแล้วก็รู้จักรู้เท่าทันไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปหลงไหลมันมีก็เอาสิทาอันนี้สัก่อนทอําอาเทศนาปาฏิหารเนี่ยทำโลกุตรธรรมนี่สัก่อนทําแล้วเสร็จคุณอยากจะไปสร้างไอ้ที่ปาฏิหาราเทศนาปาฏิหารเชิญเลย เพราะว่ามีหลักประกันและมีหลักประกันว่าถ้าคุณมีความไม่ติดไม่มีกิเลสไม่ลหลงไรพวกกิเลสพวกนี้แล้วนี่คุณไปสร้างอะไรก็มีหลักประกันจะไปทําพวกนั้นแล้วง่ายกว่าด้วยแต่อย่างว่าอะทุกวันนี้มันไม่มีเวลาไปสร้างนะเพราะมันต้องรวบรวมพลังจิตไปใช่เหมือนกันเอามาทํางานพวกนี้ก็นอนแผ่แล้ววันวันนึก็แผ่แล้วไม่มีพลังไปนั่งเล่นพวกนี้หรอกมีปรมัมณูมีพลังงานปรัมณูจํานวนหนึ่งก็เอามาใช้ในทางนี้หมดแล้ะ แล้วจะเพลังมางานปรมานเูเนี่ยไปทำลูกปืนมายิงกันเล่นไม่มีเไม่มีเหลือ <c oughs> มันไม่พอมันทําไม่ได้หรอกแต่อยู่ในยุคการที่ไม่ต้องใช้พุ่มเฟือยอย่างนี้ได้ได้หรือคุณสั่งสมบา ร, รมีของคุณได้ม า, จากจนกระทั่งเหลือเฟืออย่างพระพุทธเจ้านี่เหลือเฟือจะเอามาสอนก็ยังมีตัวเองก็ฝึกปลือมาเหลือเฟือใช้ได้ซ้อนซับซ้อนเก่งยี่ยมได้ข้อสมาก็มีเหลือใช้บางนิดๆหน่อยๆ ไม่ได้เก่งเลยในไดทักอิทธิปาฏิหาริยเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ได้เก่งเลยมีบ้างนิดๆหน่อยๆซึ่งอวดไม่ได้ถึงไม่อวดก็ไม่ดีอวดก็ไม่เกะไม่เก๋ไม่โกอะไรอาตมาไม่เห็นว่ามันเกะมันโก้อะไรเพราะว่ามันไม่วิ่งใหญ่เท่าพุทธธรรมพุทธวิชาอ่อวดพุทธวิชาเลยโดนด่าเลยอาตมาอวดพุทธวิชานะว่าเป็นอริยะโน่โดนด่าเลย อาตมาไม่มีไม่ใช่ไม่มีบอกบอกมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปเอาไปอวดอะไรมากมายมันก็มันไม่ได้ไปยืนหยัดยืนยันไม่ได้อวดเป็นจริงเป็นจังอะไรมากอวดเอออิทธิปาฏิหาริยเทศนาปาฏิหาริย์อวดเหมือนกันนะอาตมาคุยอยู่ในหนังสือสัจจชีวิตยังพอเล่าถึงบ้างเลยเล็กๆในน้อ ย, อ ย, อยใช่ไหมไม่ได้อวดกันไปกิจลักษณะอะไรมากมายแต่อวดพุทธพุทธธรรมอวดอนุสาสนีปาฏิหาริย์เยอะอวดแล้วโดนด่าเลยหาว่าอวด แต่คนก็แมมอวดอิทธิปาฏิหาริจริึไม่จริงกัไม่รู้เนี่ยปราชิกกันไปต้องไม่รู้เท่าไหร่นะอวดไออิทธิปาฏิหาริมั่งอาเทศนาปาฏิหาริมันสามารถจะรู้ใจคนนั้นคนนี้อะไรและจริงรึไม่จริงไม่รู้นะ่ยถ้าไม่จริงก็เรียกว่าประราชิกกันนะนะอวดไม่ห้ามกันหรอกนิยมกันด้วยนะโอ้ยคือหากันด้วยนะนี่แหละมันก็เรื่องที่ไม่รู้จริงมันก็ตาหลกกันนะมันก็ตาหลกดีอยู่ <laughs> พวกเรามาเรียนรู้โดยทำพวกนี้รู้จักอัตตามานะรู้จักจิต รู้จักมีเจโตปริยาอย่างนี้นอาตมาทวนนี่ทวนหมายวันนี้ทวนวิชาเก้าเชินนะเตเตวิโชพูดไปก่อนแล้วก็มาพูดถึงอีกหก ก็ินยานี่6กอาพินยาถึงไล่เอาชานบวกมาด้วยนะไม่เอาไปมือกะทิเขาไล่แต่เขาไล่ถึง9ครบคันน่ะที่เขาอันบยายอาตมาก็บัรยายด้วยแล้วอาตมาอธิบายหรือบรรยายเสริมด้วยแต่เ ร, ราได้มาปฏิบัติจริงรากฐานของความจริงพวกนี้มีคุณธรรมและมีความสามารถพวกนี้จริงนะโดยเฉพาะอัตตามานะลดละอัตตามานะกันโอ้ความเจริญความสุขความเป็นปึกแผ่นของพวกเราเนี่ย จะแน่นเนียวแน่นน้าแล้วก็มีพลังพลังรวมอยู่ชิดกันใกล้กันกระทบกระแทกกระเทือนกันก็ไม่เกิด กิเลสอะไรไม่เกิดความระแหงไม่เกิดความแตกแยกไม่เกิดความทะเลาะวีวากไม่ร้อนอยู่เย็นเป็นสุขกระแทกกันกระเฉยถ้าเราไม่ถือสากันนี่เคหัวกันยังได้เลยเตะก้นกันทีก็ยังได้ไม่ถือสากันพูดผิดพูดถูกยังไงก็ไม่ถือถ้าเแปลว่าถือสาแล้วนะพูดผิดหูนิดหน่อยแต่เราไฟมันขึ้นมันอยากฆ่าเลยมันมันมันยังงั้นนะกิเลสเนี่ยมันเลวร้ายมาก ไม่ว่าจะเป็นกิเลสราคะหรือกิเลสโทสะ ก, ก็าตามราคะนี่ก็เกิดโกรธได้นะถ้าไม่ไปถูกหูอนะอะมัน ม, มีรักเราแล้วพูดผิดหูนี่พูดแปลงๆแล้วอะไรนี่ทํามันหลงมากอนะมันหลงมากมันจะเป็นนะมันหลงมากๆเนี่ยราคะหลงมากๆเยพูดผิดหูนิดเดียวนะั้นะไปแล้วง อ, งอนงอนอะไรไปแล้วหลายคนคงเคยนะเนี่ยพูดถูกใจแดงไม่ใช่ใจดํำนะใจแดงเลยพูดถูกใจแดงเลยเนี่ย เนี่ยมันก็ราคะก็เกิดเหมือนกันถ้าถือสาหรือว่าเรายังยึดยังติดอะไรอยู่งอนไปละโกรธละอย่งงอนอย่างงี้และประชดต่อเลยอัตมาเมื่อกี้นี่ได้ภาษาอธิบายอีกอันหนึง่งว่าประชดนี่คืออะไรประชดนี่คือรูกระเบิดที่มันระเบิดแล้วส่วนการไม่ชอบใจนี่นะการไม่ชอบใจนี่คือรูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดพอคือขั้นประชดนี่เลยว่ารูกระเบิดระเบิดแล้วออฟังเข้าใจไหม อไอ้ไม่ชอบใจเนี่ยมันก็อยู่ในใจคือรูกระเบิดที่ยังไม่ยังไม่ ไ, มได้จุดชนวนยังไม่ได้ไปทำการระเบิดมันก็ระเบิดเตรียมแล้วนะเตรียมเลยนะระวังถ้ะได้เชื้ออีกนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่เชือ้อหรือไม่ได้เชื้อก็ตาม ถ, าถ้ามันอ๋อได้ฆ่ามันโตเองก็ได้นะเนะี่ยไอ้รูกระเบิดนี่โตเองก็ได้นะรูกระเบิดระลุกระเบิดกิเลสเนี่ยไอ้ประชด น, นี่คือการแสดงออกแล้ว เป็นผลของตัวไม่ชอบใจเรียกว่ารูกระเบิดที่ระเบิดไม่ได้เรื่องอะรูกระเบิดที่ระเบิดนี่ทำลายประชดนี่คือการทําลายชนิดระวังให้ดีแตพวกเราเนี่ยอย่าไปประชดประชันจะแดกดันอะไรเลยชดประชันแดกดันเนี่ยรูกระเบิดระเบิดนะเป็นการทําลายแล้วพยายามสิ่งเหล่านีนะ้เราต้องเรียนรู้ดีๆนะทั้งวอนระวังไปแล้วก็ระ ง, งับระ ง, งับได้มันไม่ใช่ความเสียหายอะไรเป็นความเจริญเป็นความสุขสุขสงบด้วยไม่ใช่สุขอย่างโลกรีหรอก สุขสงบสบายอาตมาก็จำเป็นนะที่จะต้องบรรยายซ้ำซากบรรยายรายละเอียดอะไรต่างๆนานาของ น, า น, านี้ให้แกพวกเราเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอัตตามานะเนี่ยมันเป็นกิเลสระดับสูงระดับต่าก็มีหยาบค้ายก็มีอัตตามาน่ะแต่ว่ากิเลสกรมกิเลสหยาบกิเลสโลกธรรมหรือว่ากิเลสตั้งแต่อบายมุกน่ยมันกิเลสพวกนี้มันหยาบมันหมดได้หมดแล้วทำไมรู้ตัวมันจะมีกิเลสมานะเสริมซ้อนเราได้ดีขึ้นมาแล้วมีเสริมซ้อนได้เสริมซ้อนได้เพราะฉะนั้นกิเลสการมกิเลสอบายยมกกิเลสกรรมโลกธรรมอะไรหมดแล้วเป็นอนาคามีภูมิยังเหลืออัตตามานะโดยไม่มีกาไม่มีกิเลสหยาบพวกนี้ดังได้เลยแต่กิเลสหยาบพวก การปลวกอบายยมุกพวกนี้นะยังไม่หมดแล้วจะหมดอัตตามานะนั้นอย่าหวังจะหมดอัตตามานะนั้นอย่าหวังเพราะยังไม่แน่เลยว่าคุณมาลดอบายยมุกหรอมานะคุณจะเกิดไหม ยังยังไว้ใจไม่ได้เลยยังไว้ใจไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นว่าจะตามมาหรือไม่ตามมาคุณลดอัตอบายเมื่อก่อนที่ลดกามก่อนสิแล้วคุณจะรู้ว่าอัตตามานะคุณเกิดไหมแม้มันเกิดก็ต้องรู้มันไม่เกิดก็ให้รู้ว่าคุณไม่เกิดแต่ยังไม่แน่เพราะคุณยังมีอะไรยังเป็นตัวคาอยู่เพราะเมื่อลดอัตตาไอมันลดกิเลสอบายมุกลดกิเลสกามลดกิเลสโลกธรรมอะไรไปแล้วไม่มีแล้วจริงๆนะเหลือแต่อัตตามานี่จริงๆนะ มันมีได้ไว้ใจได้เพราะมันไม่มีเกลเอทอะไรที่จะเหนือชั้นไปกว่า น, นั้นอีกมันก็มีแต่เอาวิชาที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องละลดประโยชน์าทั้งตายหมดอย่างแท้จริงมันถึงจะหมดสิน้นเพราะอาตามานะมีตั้งแต่หยาบประโยนกระทั่งถึงละเอียดเล็กๆน้อยๆเศษธุรีละองเพราะมันถึงยากจะต้องพูดกันปากเปียกปากแฉะพวกเรานี่นึกว่าดีๆดีๆกันออกไปข้างนอก ออกไปข้างนอกเนี่ยนะอัตตามานะของพวกเรานี่มันมีแล้วมันไม่รู้ตัวอัตตาตัวที่เลวร้ายนะมันไม่ใช่มานะด้วยเป็นอัตตานะฟังดีๆตัวนี้มานะมานะอะไรโอ้อัตตาอะไร อ, อัตาออตาขี้อัตตาติดยึดพบอัตตาติดยึดพบขี้เกียจ มันก็ไม่ทําอะไรมันก็ไม่อยากอะไรแตรแต่มันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ลดอบายยมุกมาได้ตัวเองก็ไม่แร้วไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีความเร็วร่ายอะไรเท่าไหร่หรอนะก็ดีฐานหนึ่งไงวางกันเถอะหรือแม้แต่จะลดกามก็ลดพอได้ไม่หรอกมีสีหน้าดีนะหน้าแต่ขี้เกียจอยู่กับหมูหมูบอกไม่ได้หรอกต้องขยันขึ้นกว่านี้อยู่กับหมูเนี่กหลบเลี่ยงไปเลี่ยงมาจริงอยู่กับหมูได้ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานไม่มีอบายยมุกที่มีสีหน้ากามคุณหรือว่าโลกธรรมเราก็ไม่บบื้ออาะไรวุ่น แต่ขี่เกียติบอกงั้นนะที่เกียในระดับที่พวกเราก็ยังเห็นว่ามันยังมีดีพวกมันก็เคนกันมีมามีอัตตามีตัวกูมันก็เป็นมานะเชิงตัวถือดีเหมือนกันนะใครมาบอกใครมาว่าก็ไม่ชอบใจ ก, กูจะเป็นของกูอย่างนี้ไม่รำคาญจริงกูไม่อยู่ด้วยแล้วโว้ยไปเลย อัตาตัวนี้ทําให้ตกกระป๋องลงไปข้างล่างลงไปที่อื่นพอออกไปข้างนอกแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวขี้เกียจนี่ก็ไปขี้เกียจอยู่ข้างนอกไอ้อยู่ที่นี่เนี่ยคุณจะขยันบ้างไม่ขยันบ้างก็ขนาดนั้นละ่ะจริงๆแล้วคนขยันในอโศกเรานี่จริงๆแล้วเนี่ยนะไปเทียบกับคนข้างนอกเขาแล้วเนี่ยยังได้กับเขามากที่ข้างนอกเขานี่ถ้าเขาจ้างคนยิ่งราคาแพงและคุณไม่ขยันได้ขนาดของเขาไม่คุ้มเงินเขานี่นะ เขาจี้คุณหมดนะใช่ไหมไม่ต้องพูดราชการไอราชการไอชาวชามเย็นชามมันเสื่อมโซ ม, มานานแล้วบริษัทสิเจ้าของเงินเจ้าของเจ้าของเจาง้จานายของแท้ๆสิถ้าคุณทําไม่คุ้มเงินเขานี่เขาจะจี้คุณในขยันต้องคุ้มของเขาเพระาะฉะนั้นเขาจะขยันกว่าชาวอาโศงจะแล้วคุณก็ไปทํางานกับพวกบริษัทอย่างนี้เขา้าคุณก็เอาความเกลียดหรือขยันเท่าเอาโศงนี่ไปใช้เสร็จฟังดีๆนะนี่มันซับซ้อนนะคุณเอาความขยันเท่าอาโศงนี่ไปใช้กับบริษัทเขานะั่นแหละคุณกินเงินเขานะจ้างเขาก็ไม่เอาไม่เอาหรอก เขาก็จี้คุณเสร็จแล้วก็กว่าอ๋อพวกนี้อะพวกอโศกมันขี้เกียจอย่างนี้ยอะพวกอโศกซวยมาถึงอโศกทั้งทั้งที่คุณเองคุณดีแล้วนะส่วนหนึ่งคุณมีไม่มีอามายมุกกามก็ลดลาบยศสันเสริญก็ไม่อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ความถือสาหรือความมักได้ของเจ้าของเงินของเจ้านายของผู้ที่จะต้องเอาประโยชน์ไม่สมใจเขานี่นะเขาจะต้องเอาให้มากที่สุดเท่าที่เขาตั้งราคาละตั้งข่าไว้ควรจะได้แล้วเราไปขี้เกียจ เขาอโศกนี่ไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเขาไม่ยอมหรอกเพราะคุณเอาเงินเขาเอาว่าเขาเอาคุณเอาเงินเขาเขาต้องจ่ายเงินคุณเขาต้องจ่ายอะไรของคุณเขาไม่ยอมหรอกเนี่ยพวกเราอย่างนี้ไปขายหน้าอโศกก็มีอยู่แล้วพวกในข้างงอนเขาก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรที่จริงพวกเราก็ไม่ได้เลวได้อะไรเท่าไหร่หรอกไปขนาดนี้ก็มีมีนะขนาดนี้ก็มีแต่เขาก็ว่ามาถึงอโศกอ่ะพะโดยจริงๆบอกแล้วว่าขยันของเราเนี่สู้เขาไม่ได้ฟังดีๆนะตัวนี้ฟังดีๆนั้นเราขยันได้อีกนะแต่เราเสรีเสรี อิสระเสรีภาพเราไม่บังคับกันเกินไปเพราะจะขยันมันก็บุญของคุณจะขี้เกียจมันก็บุญของคุณอ่าและจะให้พวกเราไม่ไม่ติงไม่เตือนไม่ว่ากันไม่ได้เราก็ติงก็เตือนก็ว่ากันอยู่นั่นแหละถ้าคุณมีอัตตาเตือนก็ถือตัวเตือนก็ถือตัวอัตตาหรืออัตตาหรือมานะนั่นแหละมันตัวขี้เกียจอัตตาแท้ๆคือมานะก็คือถือตัวถือดีติงก็ไม่ได้ถือตัวว่าก็ไม่ได้จนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่ทนไม่ทนให้ว่าก็ออกไปอย่างที่ว่านี่อย่างนี้ก็มีได้ หรือแม้แต่ไม่ออกไปก็อยู่ในนี้ว่าไปมากๆกับเครืองไม่ชอบใจถือตัวกูไม่พูดกับมันแล้ะมันเอาแต่ว่ากูกูเลี่ยงไปนกะก็เลี่ยงก็ไม่ประสานกันประสานกันไม่สนิททํางานร่วมกันก็ไม่ได้เรจะพบกันจะประสานประสบกันกยังไม่เคยประสบแล้วอะ่ะมันเดินหลีกกันหนีกันแล้วอะ่ะมันจะไปได้เรื่องอะไระนี่แหละกิเลสอัตตามานะที่เราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้เรียน ร, ร, ยนรู้แล้วก็พยายามเพิ่มเติมขึ้นเถอะถ้าเราขี้เกียจจริงก็รู้ตัวเถอะ หรือแม้ว่ารเราไม่ขี้เกียจจริงนะจริงๆเนี่ยเราขยันกว่าไอ้คนที่มาติเราด้วยซ้ำนะนี่สมมุติไปให้หมดจริงนะเราขยันกว่าไอ้คนที่มาติเราด้วยซ้ําแต่เขาก็ยังอยากให้เราขยันกว่านี้อีกแล้วก็ฟังกันแล้วกันรับฟังเออเขาก็ปรารถนาดีแม้คนมติเรานะ่ยมันขี้เกียจกับเราด้วยซ้ําก็ตามถ้าระวังใจได้รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ถึงถือสาอะไรกันไม่ถือสามันก็ไม่ทุก มันก็ไม่เกิดการระแเหงไม่เกิดการทะเลาะวิวาทบาดมาไ ม, ไม่เกิดการไม่ชอบใจมันก็สบายสบายถ้ายิ่งเราเองเราเขาติง เ, เ, เรา ก, าถการา็ถูกของเขาแหละเขาเตือนเราติงเราว่าเราจะถูกเขาก็ต้องขอบคุณเขาหรือแม่เราจะหลงตัวก็ช่างเถอะจะหลงตัวว่าเราดีกว่าเขาขยันกว่าเขาแล้วเขาก็ม า, าว่าเรามาติเราจริงๆเราก็ขี้เกียจกว่าเขาจริงๆนั่นแหละก็ตามถ้าระวางใจมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เราตรวจให้ดีว่าไม่เป็นความหลงนะขยันขึ้นในดี แต่ไม่ใช่ว่าเขาท้วงเขาติงเราแล้วเนี่ยเราก็วางใจได้แล้วไม่ทุกร้อนอะไรหรอกแต่ไม่พัฒนาขึ้นเขาติอะไรติงอะไรก็วางใจได้สบายสบายวางใจได้ไม่ถื่อซะแต่ไม่เอามาสํานึกไม่เอามาเตือนตนไม่เอาไอ้ที่คติคําติงของเขานี่ยเอามาพัฒนาตนเขาติถูกด้วยแท้เลยรู้เลยแต่ก็ไม่เอามาพัฒนาตนไอ้แบบนี้มันก็ไม่ความอะไรใช่ไหมไม่ได้ความ ข้ิเลยหนักเข้าเราก็เลยกลายเป็นพวกพวกด้าน <c oughs> ด้านไม้แก่วัดสบายอยู่กับมูสบายเข้อติแล้วเราไม่ถือวางได้ไม่ถือไม่ถือแต่ก็ไม่เจริญแก่วัดหนักๆดานหนักเข้าแล้วมีเหลี่ยมทีนี้วางได้เก่งๆที่นี้ชั่วชังมันทั้งๆที่เราชั่วเขาดา่าเฉยนั่นแหละอารัชชีแล้วตอนนี้ทั้งๆที่เราผิดแล้วดา่าด่าวางได้ <c oughs> <c oughs> เข้อติเขาเตียนวางได้ทั้ง ๆ, ท, งๆที่จะรู้ว่าเราชั่วไม่เป็นไรเราวางแล้วเราไม่ทุกข์แล้ว แล้วก็หน้าด้านอยู่ต่อไปเจ้าประคุณเอ้ยขอจะได้พบได้เห็นขอจะได้มีได้เป็นอยู่ในที่นี้เลยคนอย่างนี้อาตมาไม่หวาดไม่ไหวจริงๆถ้าอย่างนี้แล้วนี่อารัชีนี่อารัชีคนคนหน้าด้านคนแก่วัดจนหน้าด้านนี่ก็พูดให้ฟังหลายเหลี่ยมหลายมุมนะขยายความอะไรอะไรต่า ง, า ง, างๆนานาให้ฟังมันมีซับซอ้อน แล้มันเล่นเล่เล่นเร็ดกับเราเราเองเรามันตีตามมันไม่ทันไอ้กิเลนเรานี่แหละเราตามกิเลนเรานี่แหละไม่ทันนั่นก็เรียกว่าเราไม่จเจริญแม้แต่ปัญญาพูดหรือว่าความเห็นก็ไม่จเจริญความเข้าใจเข้าใจได้แต่ไม่ไปปฏิบัติก็ได้แต่ปริยัติไม่เอาไปปฏิบัติก็ไม่มีหวังที่จะเกิดปฏิเวทธททำไม่มีการบรรลุธรรมพอเรารู้แล้วเข้าใจดีแล้วก็เอาไปเร่งรัดพัฒนาตนเองปฏิบัติให้ถูกให้ตรงมีความอุตสาหะภาคเพียร แล้วก็ทำขึ้นนะทุกวันนี้เราต้องการกําลังความแน่นความเป็นปึกแผ่นความที่ไม่มีรอยระแหงของความบาดหมางความไม่เข้ากันเราพยายามที่จะลดละพวกนี้ให้มันเข้ากันได้ให้มันประสานให้มันแน่นเน้เน้นเน้นเนื้อให้เหนือกว่อมากนะเน้นลากไม่ยากกว่าแล่นเน้นลากเนี่ยตัวนี้แหละคนยังเข้าใจยังไม่ได้กันเท่าไหร่เน้นเนื้อให้เหนือกว่ามากก็คงไม่มีปัญหามากนักมันคุณภาพกับปริมาณ เน้นยากแม่เอเน้นเน้นยากแม้เอเน้นลากแม้ยากกว่าเล่นเน้นลากลากเนี่ยหมายคำว่ามันจะนานเป็นหน่อยมันไม่เร็วเล่นหมายคำว่าเร็วมันไม่ได้เร็วเร็วมันจะนานไปหน่อยต้องลากตรงนานเราก็เน้นอันนี้แม้จะยากกว่าเล่นเราอยากจะให้เร็วเร็วอยากจะให้ได้มากๆมันก็ยากกว่าอยู่จริงๆมันก็ยังไม่ได้ดังใจอ่ะนะ ก็เราก็ต oh ้องจำยอมเอาละมันได้อยู skating, so ium, you. You ่แต่มันเดินช้าไปบ้างต้องลากต้องดึงกันบ้างมันไม่แล่่นนมมัไเร็วไม่มันยากอยู่ต้องทำก็ต้องจำยอมในบางครั้งบางคราอย่าไปรีบร้อนที่จะแหม่จะอยากจะได้เร็วเร็วเ่งเร่เร็วเร็วเร็ตะกร้าตะกรามอย่างนั้นมากนักถ้าใจเร็วด่วนได้อยากจะได้แร่งเร่งไวๆไวๆไวๆไวๆจนเผลอจนไม่ละเอียดละอพอเสีย เพราะเราก็จะต้องให้ชัดเจนว่าเออมันจนํานวนแล้วมันได้แค่นี้แม้มันจะต้องลากร้องดึงต้องจูงต้องกระทบกระทบไปอยู่ในไม่แล่นไม่วิ่งไม่เร็วนักได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดทิสัยแล้วดีที่สุดแล้วประมาณให้ชัดเน้นลากม้ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแข่นเพราะฉะนั้นไอ้แข่นแข็งทำแข่นแข่นมีมารยาทแข็งแข่นมีอะไรอะไรอยู่ทํำยังเสียไม่ได้ทําอะไรยัง ไม่จริงไม่จังไม่เข่าเนื้อเข้าแกนไอ้พวกนี้ต้องเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแน่นอย่ามารอร แ, แล้วยามาทีาด่ดผัดนั่นผัดนี่ เ, เสแสร้งนั่นเสแสงนี่นแค่แนแค่นทำอย่างง้นอย่างงี้อยู่ไม่เอาเอาให้จริงให้จริง เ, เน้นจริงให้ยิ่งกว่าแน่น เ, เน้นกันให้นั่นกว้าง อันนี้ก็คล้ายกับเนื้อกับมากเน้นแกนเราพยายามที่จะให้เข้าเนื้อให้เข้ากันเนื้อเนี่ยจะใจกว่าแก่นเนื้อจะมากกว่าแก่นกว้างกับมากก็มีนัยยะที่คล้ายกันแต่มันมันมาคล้ายกันแต่มันมีนัยยะที่อาจจะวิจิตหรือว่ามุมเหลี่ยมที่จะครบคันทั้งมากทั้งกว้างอะไรเนี่ยเราะเน้นเนื้อให้เนื้อกว่มากเน้นรากไม่ยากกว่าแรกเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นแกนให้แน่นกว่ากว้าง เราพยายามกระทาเพราะเราถ้าเ่าไม่เน้นแก่นไม่เน้นเนื้อไม่เน้นก็ไปจนถึงที่สุดอรหันตผลหรือพระอรหันไม่ได้ไม่มีเนี่ยไปไม่รอดไปไม่รอดจริงๆอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรแค่ไหนแม่ถ้าได้อรหันสักเก้ารูปนี่นะวิเศษไปได้แน่ๆไม่ได้อรหันเก้ารูปได้แต่อริยะนะ มีอนาคาบ้างมีสกิทาบ้างมีโสดาบ้างก้ารูปนี่โอ้คงไปไม่รอดแต่ทุกวันนี้พูดกันจริงๆนะโสดามันมันก็ไม่ก่าวหรอกมันมากกว่ากรูปแล้วมันก้าวสกร้อมันมีได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้โสดาบันนั่นนะเพราะงั้นอริยะก้ารูปนั้นไม่ต้องไปพูดหลอกมันเกินมีแต่จะเน้นให้มันเป็นสกิทาสกิทาเราก็มีอนาคาเราก็มีเนื้อหาสาระอยู่บ้าง ซึ่งจะเต็มรูปไม่เต็มรูปก็ตัวตนของของไขของไขก็ดูเ อ, เองนาณาคารนี่หมายของว่าเรามันไม่ไม่มีนะไอ้เรื่องกามนี่จำเหลือเศษ ร, รูปราคะอรูปราคะก็คือส่วนอ่อนๆของราคะอ่อนจนมันไม่สามารถทําให้เราเวียนกลับได้จริงๆเลยแต่จะประมาณนะโทษภัยันมีประมาณน้อยพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทและเรามั่นใจจริงๆเลยนะรูปราคะอรูปราคาเนะี่ยเรารู้ว่าลักษณะอย่างนี้เป็น ราคะมูลสายราคะแต่ว่ามันแค่รูปที่รู้ได้ชัดหรืออารูปหมามันมีเป็นลักษณะอารูปมันไม่มันมันมันมีตัวตนมันบางมันละเอียดมันเป็นลักษณะนามธรรมเข้าไปมากแล้วเป็นอารูปอรูปราคะเราก็ต้องมียานรู้ความจริงของเราให้แม่นให้มันมีเศษเหลืออยู่แต่ไม่นําพาเราเกิดได้อย่างจริงจังเลยหรือมานะอุทจจะอวิชชาพวกนี้ ต้องรู้เลยว่าอนาคามีของเรานี่เราจะต้องมีภูมิอย่างนั้นอย่างจริงการมราคะที่มันจะมาทําให้เราไปหยาบยาบเหมือนอย่างคนชาวโลกไม่ไม่จริงจริงมีฮิรีมีโอตะป่ามีกําลังอินทรีย์พละแข็งแรงชัดเด่นแน่นอนมั่นใจตัวเองผู้ใดก็กดข่มไว้ดึงไว้สําหรับตัวเองตลอดชาตินี้โดยคนอื่นไม่รู้แล้วก็ทำเสแสร่ทำเป็น กหกคนอื่นเขว่าฉันนี่อนาคาแล้วนะที่จริงยังหยาบยังแรงอยู่แต่กด ค, คมได้ก็ยังเอาถือว่าอนาคาประเภทยังจับหยาบอะยังจะต้องพยายามมากมายไม่ใช่อนาคาแบบประเภทที่มันเหลือลักษณะราคาเป็นรูปราคารูปราคะดังที่อาตมาอธิบายไว้แต่ตนนี่เราต้องรู้ภูมิธรรมรู้ลักษณะของสภาวะธรรมพวกนี้จริงๆชัดชดอ่า ไม่ใช่แห่แตมาเป็นพยากรณ์คนนี้อนาคาแล้วคนนี้ส ก, กิทาแล้วคนนี้โสดาแล้วคนนี้ยังโซดาอยู่อะไรนี่มันไม่ต้องหรอกต้องปัจจิตตังเวทิตโภวินญูหิต้องรู้เองด้วยตนรู้จริงๆมันจะหลงบ้างเกาะเรียนรู้ดีๆแล้วก็แก้ความหลงซะต้องยอมรับว่าเอออันนี้เราหลงผิดไปนะแท้จริงไม่ใช่เรานึกว่าเราได้แต่มันหลงก็แก้ไขคนที่หลงแล้วแก้ไขตนเองยอมรับความจริงไม่เสียหายหรอก ไอ้นี่หลงเลยเพลิดเลยเลยประชดส่งเลยแกล้งเลยโกหกเขาต่อไปเลยบาปซ้ำบาปซ้อนไอ้แบบนี้ไม่มีทางเจริญหรอกยิ่งพังใหญ่เลยตัวเองผิดพลาดแท้ๆบางทีรู้ด้วยนะว่าตัวเองผิดพลาดแต่ว่าเก๊กต่อเลยนะแอกต่อไปเลยแล้วโกหกคนอื่นต่อไปเลยคนนี่หมดทางหมดทางแก้ไม่มีทางเจริญแน่นอนเพราะเมื่อรู้ตัวแล้วว่าเราหลงผิด ตอนแรกเราอาจจะหลงว่าโอ้เรานึกว่าเราใช่นะนึกว่าเราได้พอ ม, มารู้ตัวตายจริงๆมันยังมีนี่นะมันยังไม่ใช่มันยังเข้าใจยังไม่ถึงนึกว่าถึงแต่ก่อนนี้แต่ตอนนี้ชัดแล้วมันไม่ถึงเรายั ง, งยังมีเกล็ดอันนั้นอยู่จริงนึกว่าไม่มีมันหลงผิดเราก็รับความจริงซะ ก, ก็จบแล้วก็ต้องยอมจะไปโกหกต่ อ, อถ้าไม่เขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอกก็ได้แต่ว่าแก้ไขตัวเองกันแล้วกัน ถ้าใครเขาถามเรืเ่องอะไรเขาจี้เขาก็ต้องบอกเขาอย่าไปโกหกซ้ำซ้อนเขาอีกมันก็ซวยใหญ่เท่านั้นเองไม่ได้เรื่องนีน่เราเป็นคนจริงเป็นคนตรงเป็นคนกล้าคนจริงคนตรงคนกล้าที่จะทําที่จะพื้ปฏิบัติถ้าตราบใดยังมีมวลมีผู้ที่ช่วยเหลือเฟอ้อไฟแล้วมีระบบมีการอย่างนี้มีปริยัาตปฏิบัติปฏิเวทมีการดําเนินบทบาทของาศาสนาเนี่ยเดินทางไปอยู่อย่างนี้นะความเจริญเป็นอันหวังได้ ความเจริญเป็นอันหวังได้ได้ขอสําคัญแต่ละคนก็พยายามอุตสาหะวิริยะภาคเพียรสํานึกเอาจริงเอาจั ง, จงนะ่ะสังวรกันจริงๆได้ให้มันได้กัน แ, แล้วกันอย่าปล่อยปล่ล่าเรือให้เดินช้าพระพุทธเจ้าไม่สันเสือนคนเนินช้าผัดปันประกันพรุ่งทําเป็นะหล่ะแ ล, ะ ล, ะแ ล, ะและ่วันวันคืนคืไปไม่เอ า, าตั้งอกตั้งใจดีๆถ้าเผื่อว่าเราทํารดอัตา ม, มาณนะดังกล่าวมาแต่ต้นได้แล้นยะละเอียดละอ้อจะมาพูดถึงประมาจิสอดซ้อนเอาไปในวันนี้ หลายคำหลายความอยู่ก็เอาไปศึกษาเอาไปพยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเราจะได้เป็นสุขทั้งตัวเราและก็ให้สังคมเป็นสุขด้วยจเจริญด้วยทั้งตนและทานไปพร้อมๆกันเอาสำหรับวันนี้พอ